วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบ็กรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันที่ท่านสาธาชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อมาปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้เกิดธรรม ที่จะทำให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขการที่สังคมเราจะอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจำเป็นจะต้องมีคุณธรรมสี่ประการด้วยกันก็คือหนึ่งเมตตาสองกรุณาสามมุนิตาสี่อุเบกขาเรียกว่า มีพรหมวิหารสี่คำว่าพรหมวิหารสี่ก็หมายถึงคุณสมบัติของพรหมนั่นเองพรหมเป็นผู้ประเสริฐเ พ, พราะพรหมมีคุณสมบัติอันประเสริฐอยู่สี่ประการด้วยกันมีเมตตามีกรุณามีมุลิตามีอุเบกขาถ้ามีคุณธรรมทั้งสี่แล้วสังคมจะอยู่กัน อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดไหนก็ตามตั้งแต่สังคมขนาดเล็กคือสังคมในครอบครัวไปสู่สังคมขององค์กรต่างๆเช่นที่ทำงานที่โรงเรียนเจินไปถึงระดับประเทศชาติระดับนานาชาติสังคมถ้า ใดสังคมใดถ้ามีพรหมวิหารสี่สังคมนั้นจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศ จ, จากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆนี่คือประเด็นสำคัญของการที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความน่มเย็นเป็นสุขเราจึงควรมาศึกษาวิธี การทำให้จิตใจของพวกเราทุกคนมีพรหมวิหารสี่กันมีเมตตากรุณามุนิตาอุเบกขากัน<ม>เราก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่าเมตตากรุณามุนิตาอุเบกขาเป็นอย่างไรแล้วเราจะทำให้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรการ ข้อที่หนึ่งคือความเมตตาอะไรคือความเมตตาความเมตตาก็คือความปรารถนาดีปราปรถนาให้ผู้อื่นมีความสุขปราศจากความทุกข์นั่นเองการที่เราจะทำให้ผู้มีความสุขปราศจากความทุกข์ได้เราก็ต้องมีการกระทําอยู่สี่ประการด้วยกัน คือหนึ่งสัพเพสัตตาอเวราโหตุ<ม>เราจะไม่มีเวมีกรรมกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง<ม>คือเราจะไม่จองเวนจองกรรมกันเราจะให้อภัยกันยกโทษให้ต่อกันละกันเวลาใครทำผิดทำความเสียหายเราจะไม่อาราธพยาบา ไม่ล้างแค้นแต่จะให้อภัยให้ถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นไปแล้วความเสียหายมันก็เกิดขึ้นไปแล้วการไปจองเวรจองกรรมกันกับเป็นการสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์วุ่นวายใจให้มีมากขึ้นถ้าเขาทำร้ายเรา เรากลับไปทำร้ายเขาก็จะเพิ่มให้เขาเกิดมีความโกรธอยากจะกลับมาทำร้ายเราอีกอแล้วเขาก็จะพอเขากลับมาทำร้ายเราเราก็ทําร้ายเขาแรงขึ้นไปอีกเดี๋ยวในที่สุดก็ต้องจบกันด้วยการเสียชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อ, อีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะต้องอยู่รับผลของกรรมของตนเองต่อไปอ แต่ถ้าเราให้อภัยได้เราเฉยๆไปคิดว่าเป็นการใช้ชดใช้เวรใช้กรรมของเราก็แล้ว ก, กันพวกเราทุกคนเกิดมามีเวรมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมมันใดไว้เราก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความเสียหายกับเรา เราก็น้อมรับความเสียหายนั้นไปปล่อยให้มันผ่านไปอย่าไปตอบโต้เพราะตอบโต้จะเพิ่มความเสียหายให้มากขึ้นแล้วในที่สุดก็อาจจะเกิดเป็นการฆ่าฟันกันตามมาถ้าเราให้อภัยได้ไม่จองเวรใจเราก็จะสงบแล้วับ จะไม่โกรธไม่เกลียดไม่แค้นใจเราจะเย็นมีความสุขแต่ถ้าเราไปเอาคาตพยาบาทไปจองเวรจองกรรมใจเราจะร้อนใจเราจะทุกข์ถ้าเราต้องการให้ใจเรามีความรุ่มเย็นเป็นสุขเราก็ต้องให้อภัยให้ได้ถึงแม้ในสายตาของทางโลก อาจจะคิดว่าผู้ที่ให้อาภัยนี้เป็นผู้อ่อนแอก็ได้แต่ความจริงเราเป็นผู้เข้มแข็งเราไม่ได้เป็นผู้อ่อนแอเพราะเราเข้มแข็งต่อสู้กับความชั่วของเราเองคือชนะตนเองชนะความโกรธของตนเองาการชนะความโกรธของตนเองนี้จะทำให้ใจอยู่ใจสงบใจเย็นสบาย แต่ถ้าแพ้ความโกรธไปทําร้ายผู้อื่นมันก็จะสร้างความทุกข์ร้อนให้กับกับใจของตนเพราะเมื่อไปทําร้ายเขาแล้วเขาก็จะกลับมาทําร้ายเราอีกครั้งงแต่ถ้าเราเอาชนะความโกรธความอาฆาตพยาบาทของเราได้เรานี่แหละเป็นผู้เข้มแข็งเป็นผู้กล้ า, าหาญ เป็นผู้ที่สามารถทำลายความโกรธที่มีในใจอยู่ในใจของเราได้เราคือผู้ชนะไม่ใช่เป็นผู้แพ้<ม>อย่างที่มีคำพูดว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร<ม>เราแพ้ทางโลก<ม>เราไม่ไปต่อโต้ไม่ต่อสู้<ม>เราเหมือนกับเป็นผู้แพ้ทางโลกถ้าเราไปต่อสู้เราไปทำ้ายเขาไปทำให้เขา เสียหายเดือดร้อนเราก็จะกลายเป็นบาลไปแพ้เป็นพระชนะเป็นบาลเราแพ้เราไม่ไปทําให้เขาเสียหายเดือดร้อนเราเป็นพระเป็นพระผพงเพราะเรามีความเมตตานี่แนะที่พระเจ้าทรงตรัสว่าการแพร้การชนะคู้อืนจจะชนะเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งก็ตาม ก็สู้ชนะตนเองไม่ได้การชนะผู้นี้ไม่ได้ทำให้จิตใจสงบไม่ไไม่ได้ทำให้จิตใจเย็นกลับทำให้จิตใจวุ่นวายจิตใจวิตกกังวลหวาดกลัวแต่การชนะตนเองได้ชนะความโกรธของตอนเองได้จะทำให้จิตใจของตอนร่มเย็นเป็นศุ ข, ขึ้นมาดังนั้น เราชาวพุทธเราให้ความสาคัญกับใจมากกว่าให้ความสาคัญกับความรู้สึกนึกคิดของทางโลกความรู้สึกนึกคิดของทางโลกนี้ใครทำอะไรเราเราต้องตอบโต้เราต้องร้างแค้นและในที่สุดก็จบลงด้วยการความเสียหายทั้งสองฝ่ายแต่ถ้า <c oughs> เราไม่ตอบโต้เราให้อภัย คามเสียหายก็ไม่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมาอีกส่วนที่เสียหายไปแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วเราจะไปลบไปล้างมันไม่ได้แต่เราสามารถทําให้มันไม่เพิ่มขึ้นได้ทั้งส่วนของเขาและส่วนของเราอนี่แหละคือการมีความเมตตาต้องรู้จักให้อภัยต้องสามารถเอาชนะ ความโกรธของตนให้ได้อย่าไปชนะผู้เพราะเวลาเราไปชนะเขาแล้วก็ทำให้เขาโกรธเกลียดเราอาฆาตพยาบาทเราแล้วเขาก็จะมาทำร้ายเราพอเขามาทำร้ายเราเราก็กลับไปทำร้ายเขาอีก mm hmm. ก็จะเป็นการ <c oughs> จองเวรจองกรรมกันไปไม่มีวันสิ้นสุดเ mm hmm. จ้า ก, กรรมในเวรของเรา mm hmm. ก็เกิดจากการที่เรา ไม่ยอมให้อภัยเขานั่นเองพอเราไปทําเขาแล้วเขาก็ตามมาจองเวรจองกรรมเรา<ม>ข้ามภพข้ามชาติ<ม>คนบางคนที่เราพบในชาตินี้เราก็ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนแต่ทําไมเขาชอบมาจองเวรจองกรรมกับเราลึกเกิน<ม>นั่นก็เป็นเพราะว่าชาติก่อนเราเคยไปทําให้เขาอาฆาตพยาบาทเรา<ม><ม>เราไปทําให้เขาแพ้เราชนะ ทีนี้เขาก็ต้องมาล้างแค้นเขาก็อยากจะชนะเราบ้างอ น, นี่คือ <c oughs> วิธีสร้างความเมตตาขึ้นมาต้องสร้างด้วยการมีความให้อภัย <c oughs> ให้อภัยได้แล้วใจเราจะเย็น <c oughs> อย่าไปคิดว่าเราสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเวลาที่เราให้อภัย คอคิดว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่มันเป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติชั่วคราวเดี๋ยวเราก็ตายกันไปหมดแล้วทั้งเขาทั้งเราไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินข้าของเงินทองอะไรต่างๆที่เราอาจจะต้องเสื่อเสียไปเราก็ต้องเสียอยู่ดีเพราะว่าในที่สุดชีวิตของเราก็ต้องจบลงด้วยกันทุกคนเวลาที่ร่างกายเราตายไป เราก็ไม่สามารถเอาอะไรไปกับเราได้ต่าให้มีทรัพย์สมบัติเงินทองกองเท่าภูเขาตายไปก็ไม่สามารถเอาไปได้ไม่มีใครสามารถเอาทรัพย์สินเอาสมบัติเอาดินแดนที่มีอยู่ในโลกนี้ไปได้แม้แต่คนเดียวทุกคนมาอาศัยแผ่นดินของโลกนี้อยู่ชั่วคราวมาอาศัยทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ชั่วคราว แล้วก็พอถึงเวลาตายร่างกายตายไปใจก็ไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยแม้แต่ร่างกายของตอนเองก็เอาไปไม่ได้ <c oughs> ต้องมองให้เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่ยั่งยืนถาวรของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ของทรัพย์สินสมบัติต่างๆที่เรากําลังครอบครองอยู่นี้วันหนึ่งเราก็ต้องสูญเสียไป มีสิ่งเดียวที่เราไม่เสียก็คือใจของเราแต่เราจะเอาใจที่เสียหรือจะเอาใจที่ดีไปกับเราถ้าเราเอาใจถ้าเรามีความอาฆาตพยาบาทเราก็จะเอาใจที่เสียไปใจเราก็จะตายด้วยความรับแค้นอาฆาตพยาบาทแต่ถ้าเราให้อภัยใจเราก็จะสงบใจเราก็จะเป็นใจที่ดี นี่คือสิ่งที่เราต้องรักษาที่เป็นสิ่งที่เรารักษาได้ก็คือใจของเราสิ่งอื่นๆนี่เราไม่สามารถที่จะรักษาได้ของทุกอย่างในโลกนี้เป็นของโลกนี้ไปไม่ใช่เป็นของของเราอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาสเมสังคาระอนิจจาสองทั้งหลายของที่เกิดขึ้นจากการผสมปรุงแต่งของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ล้วนเป็นของชั่วข่าวเป็นธาตุทั้งนั้นเป็นธาตุดินธาตุน้นำธาตุนมธาตุไฟเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีป็นสมบัติของใครไม่มีใครมาสามารถครอบครองสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้และถือว่าเป็นของตนได้ได้มาในวันนี้พอวันตายไปก็ต้องทิ้งไปอยู่ดีแล้ไม่ควรที่จะมารักษาสิ่งเหล่านี้ เือด้วยการทําลายจิตใจของเราทําให้จิตใจเรากลายเป็นมารไปเราต้องรักษาจิตใจของเราให้เป็นพระให้เป็นพรมเราอย่าปล่อยให้จิตใจเราลงต่ําให้กลายเป็นมารไปด้วยการกระทําความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผูด้ด้วยการอาฆาตพยายามเราเป็นพระถ้าเราให้อภัยได้เราเป็นพระเป็นพรมเรามีเมตตาถ้าเราให้อภัย นี่คือวิธีการมีความเมตตาแสดงความปรารถนาดีปรารถนาให้ผู้มีความสุขถ้าเขามีความสุขจากการที่มาทําร้ายเราก็ปล่อยเขาทาร้ายไปถ้าเราหลบได้เราก็หลบหลีกได้เราก็หลีกป้องกันได้เราก็ป้องกันเพียงแต่ว่าเราจะไม่ไปทาร้ายเขาเท่านั้นเอง <c oughs> นี่คือ การมีเมตตาข้อที่หนึ่งก็คือต้องมีสัพเพสัตตาเวลาหโนตุเราจะไม่จองเวรจองกรรมการมีเมตตายังมีอีกสามลักษณะด้วยกันลักษณะที่สองก็คืออัปยาปชาโนตุเราจะไม่เบียดเบียนกันสัพเพสัตตาเวลาอัปยาปชาโนตุเราจะไม่ไปเบียดเบียนไ เอาลัดเอาเปียบพูนไปทำความเสียหายไปามความเดือดร้อนจากการกระทำของเราถึงแม้จะไม่เป็นการกระทำโดยทางตรงก็ดีเ mm hmm. ช่นเราอาจจะทาทำอะไรแล้วไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อน mm hmm. เราก็ไม่ควรที่จะกระทาเ mm hmm. วลาเราจะทำอะไรเราต้องคำนึงถึงผลกระทบกับผู้อ mm ื hmm. ่นว่าทำไปแล้วจะทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนหรือเปล่า ทำใหู้เดอด้อนเสียหายหรือเปล่าถ้าเสียหายก็ไม่ทําดีกว่าอ<น>ต้องเรียกว่าไม่เบียดเบียนกันแล้วลักษณะที่สามก็คือ<น>อภัยปชาหอนตุอานิคาหหนตุสัพเพสตาอานิคาหหนตุแปลว่าเราจะไม่ทําร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อืน่นไม่ว่าเราจะโกรธแค้นเราจะ เสียหายอย่างไรมากน้อยเพียงไรเราก็ต้องอดกัน้นทำอะไรก็อย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาเจ็บช้ำน้ำใจอย่าทำให้เขาต้องเจ็บร่างกายอย่าไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้ถ้าเราอยากจะมีความเมตตาถ้าเราอยากจะอยู่อย่างร่มเย็นป็นสุขเพราะถ้าเราไม่ไปทำร้ายเขาแล้วเขาก็จะไม่กลับมาทำร้ายเรานั่นเองอย่าไปทำร้ายร่างกายและทำร้ายจิตใจของผู้ และ ข, ข้อที่สี่สุขีอัตนังปาริหารันตุให้ความสุขกับผู้เรามีอะไรที่จะทำให้เขามีความสุขได้ก็ทาไปเช่นเรามีข้าวของเงินทองเหลือกินเหลือใช้เราก็คิดว่าเอามาแบ่งให้คนที่เขาไม่มีบ้างทาบุญทาทานการทาบุญทาทานเนี่ยเรียกว่าเป็นการให้ความสุขกับผู้ นี่คือคุณสมบัติหรือลักษณะของการมีความเมตตาสู่สี่ประการด้วยกันเราต้องรู้จักให้อภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจกันและให้ความสุขต่อกันถ้าเราทำได้เราก็จะมีความเมตตาความเมตตานี้ไม่ได้เกิดจากการแผ่เมตตาจากการสวดบทแผ่เมตตาเช่นเวลาเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้ว ก่อจะจบเราก็สวนบทแผ่เมตตาสัพเพสัตตาเวลาหุนตุการสวดบทแผ่เมตตานี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทาต้องเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ทำให้เราโกรธทำให้เราอาฆาตพยาบาตแล้วเราให้อภัยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาการสวด น, นี้เป็นการทบทวนเป็นการย่ำตอกยํำจิตใจ ให้เตือนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาเราต้องมีความเมตตาต่อผู้อื่นสวนไปการสวนนี้ก็มีสองประโยชน์เป็นการเตือนใจให้รู้ว่าเราต้องแผ่เมตตาต้องให้ความเมตตากับผู้อื่นอีกประโยชน์หนึ่งก็เกิดจากการได้สติได้สมาธิเวลานั่งสมาธิบางท่านอาจจะต้องอาศัยการสวดบทแผ่เมตตาก่อนเพื่อทำใจให้สงบในระดับหนึ่ง ก่อนที่จะไปดูลมหายใจเข้าออกต่อได้พอเวลาเริ่มต้นใหม่ๆใจอาจจะรู้สึกมีความคิดมากมีความฟุ้งมาก mm. ก็ต้องลดความฟุ้งด้วยการสวดบทแผ่เมตตาหรือบทสวดมนุ์อื่นๆก็ได้ mm. เป็นการสวด น, นี้เป็นการจเจริญสติไม่ได้เป็นการแผ่เมตตา mm. การแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทำเวลาที่เรามาพบปะกัน mm. เวลาที่เราจะทาอะไร เราต้องคิดถึงผลกระทบที่จะตามมาว่าไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนหรือเปล่าไปทำ ร, ร้ายร่างกายและจิตใจของเขาหรือเปล่าให้ความสุขกับเขาหรือเปล่า<ม>นี่คือการมีความเมตตาอา น, นิสงส์ของผู้ที่มีความเมตตานี้มีอยู่หลายประการด้วยกันพระเจ้าทรงแสดงว่าคนที่มีความเมตตานี้จะอยู่เป็นสุขเดินก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุข เวลานอนหลับก็ไม่ฝันลาย<ม>เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีเทวดาคุ้มครองรักษา<ม>จะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษต่างๆ<ม>เวลานั่งสมาธิทำใจให้สงบ<ม>ก็จะทำให้สงบได้ง่ายได้เร็วกว่าผู้ที่ไม่มีความเมตตา<ม><ม>และเวลาตายไปก็จะไม่หลง<ม><ม>แล้ว ตายไปแล้วก็จะไปสู่สุกติถ้ายังไปไม่ถึงพระนิพพานก็ต้องไปสู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่ง น, นี่คือ อ, อนิสงส์ผลบุญที่เกิดจากการมีความเมตตาถ้าเราอยากจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนี้เราต้องรู้จักการแผ่เมตตาข้อที่สองของภพวิหารที่เราควรจะมีในการที่เราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขก็คือความการุณนา เมตตาการุณาเมตตาการุณาแปลว่าความสงสารความอยากช่วยเหลือผู้อื่นเห็นผู้อื่นเขาทุกขยากเดือดร้อนเราก็พยายามที่จะช่วยกันบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนเช่นตอนนี้มีน้ําท่วมทางภาคเหนือคนที่มีความการุณาก็บอยจากเงินเงินไปส่งข้าวส่งของกันไปบางคนก็เป็นจิตอาสาขนข้าวขนของไปแจกให้กับผู้ที่เขา เดือดร้อนอยู่ห่างไกลไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้เนื่องจากน้ำท่วมส่งสเสบียงส่งอาหารส่งข้าวของอะไรไปเพื่อบันเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนอันนี้แหละเรียกว่าเป็นการมีความกัาลูนาคนเราต้องช่วยเหลือกันเพราะคนเหล่านี้ต้องพึ่งพาอาศัยกันวันนี้เราอาจจะสุขเราอาจจะสบายเราไม่เดือดร้อนแต่เราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงโลกมันเปลี่ยนไปได้ สิ่งต่างๆมันพลิกจากหน้ามือไปเป็นหลังมือได้วันนี้เราสุขเราสบายเราไม่เดือดร้อนแต่พรุ่งนี้เราอาจจะทุกข์ยากเดือดร้อนขึ้นมาก็ได้ไฟไหม้อาจจะไฟไหม้บ้านเราก็ได้น้ำอาจจะท่วมบ้านเราก็ได้หรือเราอาจจะตกงานก็ได้ไม่มีไรายได้อะไรต่างๆเพราะเราอยู่ในโลกของอนิจจ่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาถ้าเราช่วยเขา พอถึงเวลาที่เราเดือดร้อนเขาก็จะมีคนมาช่วยเราอันนี้คือสิ่งที่เราควรที่จะคํานึงถ้าเราอยากจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความน่่มเย็นเป็นสุขเราต้องดูแลกันเหนียวแลกันคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมร่วมโลกกันเป็นเหมือนพี่น้องพี่น้องที่มาเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้นนเหมือนกันทุกคนทุกคนมีความทุกข์มีความสุขสลับกันไปนนคนที่มีสุขก็ต้องแบ่งปันความสุขให้กับผู้ที่มีความทุกข์ แล้วโลกก็จะอยู่กันอย่างสุขสบายถ้าเราไม่ช่วยเหลือเขาเขาเสียหายเดือดร้อนเขาไม่มีทางไปก็าอาจจะต้องไปทําร้ายผู้อื่นไปทําบาปเพื่อที่จะหาสิ่งที่เขาขาดแคลนล้วเขาขาดแคลนอาหารเขาก็อาจจะต้องไปขโมยอาหารจากผู้อื่นมาแต่ถ้ามีผู้มาคอยช่วยเหลือให้เขามีอาหารอยู่กินได้เขาก็ไม่อยากจะไปขโมยไม่อยากไปทําบาป เราต้องคำหนึงถึงผลกระทบที่จะกลับมาหาเราถ้าเราไม่เหลียวแลกันไม่ดูแลกันเมื่อเขาเดือดร้อนเขาจะเขาต้องต่อสู้เพื่อให้ชีวิตเขาอยู่ต่อไปได้เมื่อเขาไม่สามารถหาอะไรมาได้โดยวิธีสุดจริตมันก็จะบังคับให้เขาจะต้องไปหาโดยวิธีทุจริตไปลักขโมยบ้างไปพ่นไปจี้บ้างเป็นตน้นนี่คือความกรุณา ที่จะช่วยทําให้สังคมเราอยู่กันอย่างน่อมเย็นเป็นสุขข้อที่สามก็มูดิตาคือความยินดีชื่นชมยินดีกับความสุขความเจริญของผู้อื่นเวลาผู้อื่นเขามีความสุขเขาได้ความเจริญเช่นได้ถูกรตตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งให้ได้ใ ห, ให้ให้สูงขึ้นได้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นได้ คนที่เขารักได้แต่งงานกันอะไรอย่างนี้เห็นเ้าแล้วเราควรจะชื่นชมยินดีกับความสุขความเจริญของผู้ถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นความทุกข์ของเราก็ได้เพราะเราก็อยากจะได้เหมือนเขาเราอยากจะถูกวอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเหมือนเขาแต่เราไม่ถูกเขาถูกเราก็อย่าไปฉาหรือเสยเราก็ควรจะบูรตาชื่นชมยินดีไปกับเขา คนที่เขาเอาแฟนเขาได้แฟนเราไปเป็นคู่ครองเราก็ต้องยอมรับว่าแฟนเราคนที่อยากเราอยากให้เป็นแฟนเราเขาไม่เขาไม่เอาเราเขาเลือกคนอื่นเราก็ต้องแสดงความยินดีกับผู้คนที่ได้รับแฟนคนที่เราอยากได้เป็นแฟนมาเป็นของเราไปคือต้องยอมเป็นผู้แพ้แพ้อย่างมีแพ้อย่างมีเกียรติแพ้อย่างมีศักดิ์ศรีคือชื่นชมยินดี กับผู้ชนะเวลาเราเล่นกีฬากันมันก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งที่ชนะฝ่ายหนึ่งที่แพ้ถ้าเราแพ้เราก็ต้องแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะอันนี้เป็นการฝึกมุนิตาที่เราแข่งกีฬากันนี้ก็เป็นการฝึกฝึกมุนิตานี่เองให้เรารู้ว่าเราอยู่ในโลกนี้มีแพ้มีชนะกันไปเป็นธรรมดาผู้แพ้ก็ไม่ควรจะไปเกลียดผู้ชนะไม่ควรที่ไปอิฉาวิษยาผู้ชนะ ผู้แพ้ก็ควรจะมีความชื่นชมยินดีแล้วก็ปรับปรุงตัวเองต่อไปว่าตอนนี้เรายังไม่ดีพอเรายังแพ้อยู่ถ้าเราอยากชนะเราก็ต้องปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นกว่านี้ทักซ้อมการเล่นกีฬาของเราให้กระชับมากขึ้นแล้ววันหนึ่งเราก็าจะเป็นผู้ชนะได้เหมือนกันถ้าทุกคนมีความมุนิตาโลกเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่มีมุนิตาไม่พอใจกับความชนะของผู้ กับความสำเร็จความสุขของผู้อื่นก็อาจจะไปคอยกันแก้งคอยขัดขวางคอยไปทําร้ายให้ทำให้เขาไม่มีความสุขขึ้นมาอันนี้ก็จะกลายเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมกันต่อไปอันนี้คือมุดิตาจิตแสดงความยินดีเวลาใครเขาได้รับขั้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเวลาใครเขามีงานแต่งงานเราไปร่วมงานก็เพื่อไปแสดงมุนิตาจิตนี่ไปแสดงความชื่นชมยินดี ไม่ใช่ไปกินอาหารฟรีไปแสดงความยินดีซื้อข้าวซื้อของไปฝากเขาแสดงว่ายินดีกับความสุขความเจริญของเขาถ้าเราทำอย่างนี้กับคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นถึงเวลาเขาก็กลับมาทำอย่างนี้กับเราทำกรรมใดไว้เราก็จะต้องเป็นผู้ที่จะรับผลของกรรมนั้นต่อไปนี่คือบุญทีตาจิตและข้อสุดท้ายก็คืออุเบกขา อุเบกขาก็คือการวางใจให้เฉยในกรณีที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เช่นแผ่เมตตาก็ไม่ได้เขาไม่ยินดีที่จะรับความเมตตาจากเราให้อาภัยเขาเขาก็ไม่ยอมเขาอย่ายัางจะเกลียดเราอยู่ยังจะอยากจะมาทำร้ายเราอยู่เราก็ต้องทำใจเฉยๆอย่าไปเสียใจอย่าไปโกรธเขาถือว่ามันเป็นกรรมของเราที่เรายังไม่สามารถที่จะ ทำให้เวรกรรมที่เรามีกับเขานี้หมดไปได้ถ้าเขาอยากจะจองเวรจองกรรมต่อไปก็ต้องยอมให้เขาเปาะจองเวรจองกรรมไปถ้าเราอยากจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนแต่เราช่วยเหลือไม่ได้เราก็อย่าไปทุกข์ใจก็คิดเสียว่าเราไม่มีความสามารถพอที่จะช่วยเขาได้หรือว่าเป็นกรรมของเขาที่ไม่สามารถมีใครมาช่วยเหลือเขาได้ก็ยกห้เป็นตอแห่งกรรมไปอเบกขาก็คือ การทำใจให้เฉยๆอย่าไปเสียใจเพราะาเราไม่สามารถทำอะไรให้กับคนอื่นได้เพราะบางครั้งมันเป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยอยู่เหนือความสามารถของเราที่เราจะทำอะไรได้เช่นบางคนเป็นโครคภัยไข้เจ็บรักษายางไงก็ไม่หายพยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้วเขาก็ไม่หายเขามีแต่จะตายอย่างเดียวเช่นพวกหมอที่พยายามรักษาคนไข้นี่บางทีรักษาไปแล้วคนไข้าตายไปก็เสียอกเสียใจ ความเสีย อ, อเสียใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะคนไข้ก็ตายไปอยู่ดีคนจะใช้อุเบกขายอมรับว่ามันเป็นเรื่องสุดวิตรใสสุดความสามารถของเราหรือเป็นเรื่องของของผู้ของคนไข้ว่าเป็นถึงเวลาที่เขาจะต้องเสียชีวิตไปเราต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงของโลกเว่าเราอยู่ในโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีให้มันสุขให้มันเจริญไป เพียงอย่างเดียวได้มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งมีเจริญมีทั้งเสื่อมเป็นธรรมดาถ้าเรามีอุเบกขาได้ใจเราก็จะเย็นใจเราก็จะสงบการที่เราจะทําให้ใจเรามีอุเบกขาได้ก็เราต้องฝึกสตินั่งสมาธินี่ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิจนทําให้ใจเรานิ่งสงบได้ใจเราก็จะมีอุเบกขาปรากฏขึ้นมาใจเราจะวางเฉย ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงจะมีความสุขจะทำให้เราสามารถที่จะแผ่เมตตาได้ง่ายทำให้เราแผ่ความกรุณาได้ง่ายแผ่มุทิตาได้ง่ายทาให้เราสามารถวางเฉยได้ง่ายในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้ไม่สามารถที่จะทาให้เขารักเราได้ ไม่สามารถที่จะชื่นชมยินดีกับเขาได้เราก็วางไว้เฉยๆทําใจเ ฉ, ฉ, ฉ, ฉ, ฉยๆไปอยากไปทุกข์กับมันเท่านั้นเองแล้วเราก็จะอยู่กันอย่างลนมเย็นเป็นสุขนี่คือคุณธรรมสี่ประการที่เราควรที่จะเจริญกันควรจะสร้างมันให้เกิดขึ้นมาใน ใ, นใจของพวกเราก็าคือเมตตาการุณามุนิตาอุบเบกขาเป็นธรรมที่เรียกว่าพรมวิหารสี่ พรหมวิหารก็แปลว่าคุณสมบัติของพรหมนี่ถ้าอยากจะเป็นพรหมเป็นผู้ประเสริฐเราก็ต้องมีเมตตากรุณามุนิตาอุเบกขานี่ก็คือเรื่องของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้เวลาก็หมดพอดีลําดับต่อไปเราจะมาปฏิบัติธรรมกันเราจะมาสร้างอุเบกขากันด้วยการนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งทําใจให้สงบ เพราะถ้าเราทำใจให้นิ่งให้สงบได้แล้วใจจะเกิดอุเบกขาขึ้นมาใจจะมีความสุขใจจะไม่ไม่วุ่นวายใจจะนิ่งใจจะสงบจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงการที่จะนั่งทำใจให้นิ่งให้สงบได้เราต้องมีสติผูกใจไว้กับกรรมฐานกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจให้เข้าสู่ความสงบ กรรมฐานนี้ก็มีอยู่หลากหลายชนิดด้วยกันในธรรมรก็แสดงไว้ถึงสี่สิบชนิดแต่เราเวลาใช้เราก็เลือกใช้เพียงกรรมฐานอย่างอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรือบางทีอาจจะต้องใช้สองอย่างก็ได้คือตอนต้นถ้าจิตใจเราคิดมากฟุ้งมากเราไม่สามารถใช้การดูลมหายใจเข้าออกได้หรือใช้คำบริกรรมพุโทโธได้ เราก็จะต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนจะสวดบทแผ่เมตตาก็ได้สวดบทอิติปิโสก็ได้สวดอาการสาสิบสองก็ได้สวดบทอนิจังทุกขังอนัตตาก็ได้ทีแท้แต่สวดไปเรื่อยๆแล้วใจเราจะค่อยๆคลา ย, ยจากความฟุ้งจากความคิดมากให้ลดลงมาเป็นปกติพอใจเราเป็นปกติเราก็เปลี่ยนมาเป็นพุทธโธก็ได้ เมาเป็นการดูรวมหายใจเข้าออกก็ได้เวลานั่งสมาธินี้ต้องมีอารมณ์ผูกใจไว้อย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆใจจะลอยไปกับความคิดแล้วเมื่อมีความคิดใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบไม่เป็นอุเบกขาถ้าอยากจะให้ใจนิ่งให้ใจสงบต้องผูกใจไว้กับกรรมฐานบางต้นอาจจะสวดมนต์ไปก่อนให้ใจเบาให้ใจเย็นลง แล้วก็เปลี่ยนมาที่คำบริกรรมพุโทโธก็ได้หรือเปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกก็ได้จะดูที่หน้าท้องก็ได้ดูที่ปลายจมูกก็ได้ให้ดูเฉยเฉยไม่ต้องไปบังคับลมลมจะสั้นจะยาวก็ไม่ต้องไปบังคับให้รู้ตามความเป็นจริงของลมแต่นั้นเองลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกลมยุลมหยาบ ก, ก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปก็รู้ว่าหายไป เวลาลมหายไปก็ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจให้รู้อยู่ที่เดิมเพราะว่าลมละเอียดมากจนเราไม่สามารถที่จะจับมันได้แต่มันไม่หายไม่ต้องกลัวว่าจะตายยังมีลมหายใจอยู่แต่มันละเอียดตาบใดที่เรามีสติและเลิกรู้อยู่นี่รับประกันได้ว่าเราจะไม่ตายแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ต่อไปถ้าเราไม่ตื่นเต้นตกใจถอนออกมาก่อน เวลานั่งต้องมีสติอยู่กับกรรมฐานอย่างเดียวมีอะไรเข้ามาให้เรารับรู้อย่าไปสนใจมีภาพมีเสียงมีรูปอะไรต่างๆมีอะไรความรู้สึกอะไรต่างๆเข้ามาอย่าไปสนใจกลับมาอยู่ที่กรรมฐานอย่างเดียวอย่าตามรู้อย่าไปตามคิดว่าไอ้นี่เป็นอะไรเกิดมาได้อย่างไรไอันนี้เป็นการเริ่มคิดแล้วพอคิดแล้วมันก็จะไม่ทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ ต้องห้ามคิดต้องไม่ให้คิดอะไรปรากฏก็อย่าไปสนใจปล่อยให้เขาปรากฏไปให้รู้ว่าเขาเป็นของไม่เที่มงเกิดแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาให้รู้ว่าเราควบคุมบังคับห้ามเขาไม่ได้เขาจะมาก็ปล่อยเขามาไปเดี๋ยวเขาก็จะไปเองเมื่อถึงเวลาถ้าเราไม่ไปสนใจเขาให้เราอยู่ที่กรรมฐานอย่างเดียวให้อยู่กับกรรมฐานได้เดี๋ยวใจเราก็จะนิ่งใจเราก็จะสงบพอสงบแล้วเราก็ไม่อยากจะลุกเพราะเวลาใจสงบแล้วจะมีความสุข อยากจะนั่งไปนานๆ น, นั่งไปจนกว่าความสงบนั้นจะหายไปแล้วเราถึงจะค่อยลุกจากสมาธิถ้าเราอยากจะนั่งต่อเราก็เจริญสติใหม่ต่อดูลมใหม่ต่อบริกรรมพุทธโธใหม่ต่อเราก็สามารถนั่งต่อได้อีกรอบนึง น, นั่งไปได้หลายรอบด้วยกันแล้วแต่เรานี่คือวิธีการนั่งสมาธิที่เราจะมาปฏิบัติกันในตอนนี้ก็ขอให้ท่านจงเริ่มนั่งสมาธิของท่านได้แล้ว จนกว่าจะหมดเวลาตอนนี้เวลาสาหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะลุกก่อนที่จะเลิกก็ให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วเป็นอย่างไรสงบดีั้มถ้าสงบดีก็ให้สังเกตวิธีนั่งว่าเรานั่งแบบไหนแล้วจดจำเอาไว้ คราวหน้าเวลานั่งก็เอาแบบนี้มาใช้ต่อได้เลยอยากไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบจะไม่ทำใจให้สงบได้ต้องวิธีนั่งที่ถูกต้องที่มีสติอย่างต่อเนื่องเท่านั้นแล้วต่อไปนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปริกุเรนติสักลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิยทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระสสยธามณิโชติระสสยธาสัปิติโยวิวาจันโต สัพพโรโควินัสสตุมะเตภวัตวันตาายุสุขิตีคายุโกภาะอภิวาทนสิลิสะนิจจามุทาปจายโนจตารโหธมาวะทานติอายุวันโอสุขังภาลัม ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกต่อการตอบคำถามถ้าหลังจากเลิกไปแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยจะไม่ได้ตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนพะอาจานค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรร ม, มานากุติ จากทาง Facebook 262ท่าน YouTube พระชุชาติไลฟ 317, YouTube Dr. V. 71, วิทยุออนไลน์ 10, Clubhouse 2, หน้ากุติ 215, รวมทั้งหมด877ท่านค่ะคําถามจากทาง YouTube Dr. V. ค่ะ ลูกนั่งสมาธิจนมีแค่ตัวรู้เห็นจิตกับลมไม่ได้อยู่ในร่างกายขณะที่กายนั่งอยู่เข้าใจเข้าใจแบบนี้ว่าร่างกายมีอายุขแต่ไม่ใช่จิตพอออกมาลูกนี้เซ็ตใจวิธีศูนย์เมื่อใจไปบวกหรือลบลูกจะดึงกลับมาที่ศูนย์คนภายน อ, นอกจะมองว่าลูกไม่สะทกสถานกับอะไร ลูกเข้าใจในเหตุช่วยอะไรได้ช่วยแต่ห้ามเหตุของโลกไม่ได้เจ้าขาจึงไม่แตกตื่นธรรมะจริงๆคือหลักใจไม่โลเลไม่เอ็นเอียงไม่อ่อนไหวแต่ทุกอย่างจะเป็นไปใต้เหตุและผลแม้แต่ความสงสารใช่หรือไม่เจ้า้าใช่ทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นไปตามกฎอนิจจังอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้อะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ดับ ก็ต้องให้ต้องปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริงของเขาเรามีหน้าที่รักษาใจของเราไม่ให้ไปวุ่นวายไม่ให้ไปทุกข์กับการเกิดการดับของสิ่งต่างๆจากทางจากทางอินบ็อกซ์ค่ะดิฉันอยู่จังหวัดสุรินฟังธรรมะจากพระอาจารย์เสมอค่ะจะใช้สติปัญญากับเหตุการณ์ในปัจจุบันธรรมะจากพระอาจารย์เป็นที่พึ่งค่ะ กลับนมัสการเจ้าค่ะมีเรื่องจะเรียนถามคือว่าปกติเวลาถ้าเราไม่สบายใจหรือมีความทุกข์เราก็จะมาภาวนาพุทโธหรือว่าไม่ได้สนใจเรื่องความทุกข์นั้นเรามันก็ได้ผลค่ะแต่ว่าจะเรียนถามว่าเวลาเราทําทานแล้วเรารู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าทานที่เราให้มันมีประโยชน์ชุ่มชื่นใจแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเรา เหมือนเรายังมีอัตราตัวตนเรายังมีความมันเกินความสุขใจปกติมันกลายเป็นความลิงโลดใจกลายเป็นใจพองฟูซึ่งหนูคิดว่ามันถ้าที่ถูกต้องมันควรจะเป็นถ้าไม่ยินยินร้ายแล้วควรจะไม่ยินดีด้วยมันควรจะวางใจให้มันกลางกลางสุขที่พอดีเลยกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลามันสุขที่ทำทานแล้วมันลิงโลดใจจนเกินไป ควรจะวางใจหรือควรจะพิจารณาอย่างไรเจ้าคะก็มันเป็นความรู้สึกชั่วคราวมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ดับไปเราก็รู้เฉยๆไปไม่ต้องไปอะไรทำอะไรกับมันมันเป็นหน้าตาเพราะถ้าเราไปพยายามไปควบคุมบังคับมันมันอาจจะทำให้เราเครียดขึ้นมาก็ได้ดันั้นก็ถือว่ามันเป็นผลของการทำบุญของเรา ถ้ามันไม่เสียหายไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปปล่อยให้มันเป็นไปใช่ไหมคะมเพราะหนูกังวลว่าพอเรายินดีอหรือว่าติดในบุญมากๆแล้วเราจะมีอัตตาว่าว่าเราเราดีอย่างนี้หรือเปล่าไม่หรอกรอ ก, ก็มั น, มนะะเราอย่าไปยึดติดมันสิเรรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นในขณะที่เราทําบุญพอเราหยุดทําบุญเดี๋ยวมันก็หายไปค่ะ ส่วนเรื่องสุดท้ายจะกราบเรียนอาจารย์แล้วก็ขอบคุณค่ะเพราะว่าคราวก่อนท่านอาจารย์เคยเทศโปรดเรื่องของอโอวาสสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่บอกว่ า, าความความตายเป็นของเที่ยงชีวิตไม่เที่ยงอะค่ะอย่าประมาทเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเส้นเลือดในตาหนูว่าสองเส้นแตกในตาเดียวกันแล้วพอไปส่องกระจกตาข้างหนึ่งก็เหมือนหอยแคลงลวก แล้วมันก็เหมือนหนังผีที่เราดูแล้วก็รู้สึกยอมรับว่าจริงๆแล้วเราก็อยู่กับศพจริงๆแล้วที่เรากลัวศพหรือกลัวผีเราก็กลัวตัวเราเองเพราะมันคือศพอืที่ยังมีใจชองคือหมใจได้เท่านั้นเองเจ้าค่ะก็เลยทําะไรให้กลัวได้ก็<ถ>เห็นเห็นลแล้วก็ัวก็ต้องกลัวแล้วต่ตอนนี้ใช่เจ้าค่ะพอเห็นแล้วก็ก็ยอมรับว่าจริงๆที่รู้สึกว่าอุ๊ยเราน่ารัก ก็กลายเป็นว่าจริงๆเราเป็นศพนะแต่เรา <c oughs> <ด>เราลืมไปเกิดใเรา ว, ว่าอย่าหลงร่างกายมันไม่สวยงามแล้วมันสวยงามแบบชั่วค้างชั่วคราวเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องกลายเป็นซากศพไปเจ้าค่ะก็เลยกราบขอบพระคุณที่ให้สติแล้วก็ได้พิจารณาต่อเจ้าค่ะ<ด>ขอบคุณค่ะคำ ถ, <c oughs> ถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ เวลาบริกรรมแล้วสงบคำบริกรรมจะหายไปจะดูได้อย่างไรว่าเราตั้งใจหยุดหรือมันหยุดเองอัตโนมัติคะก็เหมือนกินข้าวนะกินข้าวแล้วอิม่มแล้วตั้งใจให้มันอิ่มหรือมันอิ่มเองมันก็ต้องรู้อ่ะถ้าเราตั้งใจให้มันหยุดเดี๋ยวความคิดเันใจกลับมาใหม่ล้วก็ต้องเราก็ต้องบริกรรมใหม่แต่ถ้ามันหยุดเองเพราะมันไม่มีความคิด จิตมันเน่งสงบแล้วความคิดก็จะไม่กลับมาเองคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ จากการที่เราปฏิบัติธรรมทุกวันโดยไม่หยุดมา20กว่าปีและยิ่งทำสม่ำเสมอยิ่งยิ่งขึ้นวัดผลแล้วเราสุขเย็นเบาสบายไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยกลัวอยู่ในศีลมีความเข้มแข็งมองรู้ชัดว่าไม่หนักเท่าเดิมเบาๆโล่งๆปล่อยวางเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงแบบนี้ค่อยๆมาถูกทางแล้วใช้หมเจ้าค้าถูกทางแล้วพยายามกำจัดความทุกข์ต่างๆให้มันหมดไป ถ้ายยังงมีลหลหืออู่คำถามจากทาง Facebook ค่ะทำอย่างไรเราจึงจะไม่เป็นคนเครียดง่ายวิตกง่ายเจ้าคะถ้าเราเป็นคนแบบนี้มานานเหมือนมันห้ามไม่ได้ค่ะเราก็ต้องพิจารณาความจริงของโลกว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดมีดับร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาถ้าเรายอมรับความไม่แน่นอนของโลกได้ของร่างกายเราได้เราก็จะไม่เครียดไม่กังวล พร้อมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะรับกับความเสื่อมของร่างกายความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายคำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะยมเข้าใจการพิจารณากายเวทนาจิตขอพระอาจารย์อธิบายความหมายของการพิจารณาธรรมในส่วนกุศลและอกุศลเราจะพิจารณาในโอกาสไหนคะก อ, อเวลาเราเข้าถึงจิตแล้ว อเวลาใดที่เราอยากจะรู้เราก็สังเกตถามตัวเองว่าตอนนี้เราเห็นอริยสัจสีหรือยังเห็นใจรักหรือยังเรามีสติมีปัญญาหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นก็ทดสอบถามทดสอบดูว่าเรามีทําเหล่านี้หรือไม่ในใจของเราเองคำถามจากทาง YouTube ดอร์วีค่ะนั่งสมาธิคนท้องพุทโธ พ, พร้อมกับลมหายใจถูกไหมคะแล้วแต่ จะพูดโทรอย่างเดียวก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้แล้วแต่ความพอใจหมดแล้วนะพี่ค่ยอยากจะถามอีกไหมขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยนะเพราะเดี๋ยวถ้าเราเลอกเราจะมาขอถามนั่นจะไม่ได้ตอบเพราะว่ามันไม่สะดวกเดี๋ยวต้องมีเรื่องอย่างอื่นต้องทำต่อยวมีคนมาลามีคนมาขอถ่ายรูปมีอะไรต่าง กานจะถามตอบคาถามก็ยัไม่สะดวกเท่าที่ตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่มีเดี๋ยวก็จะได้เลิกกันไม่มีใช่ไหมยังไม่ไมีใม่ค่ะไม่มีก็ขอขอยุติการสนาาทนาธรามไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจิตรณาไปปฏิบัต